ตบบาบังอปปาราตังขามัตุโนผันเตมหาเท е เรเปมาเดนะดาวารัตเเยนกตังตบบาบังอปปาราตังขามัตุโนผันเตมาเท е เรเปมาเดนะดาวารัตเเยนกตัง จาบางอปาราทางขมะตุโนพันเตพวกเราทั้งหลายได้ประมาทพลาดพลัง้งพ่อแม่ครูบ า, าอบาจารย์ด้วยกา ย, ด, ยาด้วยวาจาด้วยใจด้ว ย, วย้ความโง่เขล า, า, ขารู้เท่าไม่ถึงการ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 เพราะว่าการพูดการกระทาบางสิ่งบางอย่างเขาไม่ได้เจตนาแต่ว่ามันพูดออกไปแล้วทาให้ทาให้ผู้ใดยินได้ฟังไม่สบายใจในเมื่อไม่สบายใจมันก็เป็นไม่ค่ไม่เป็นผลดีในการพูดนั้นเพราะนั่นจิงไหนก็ตามทางพวกพวกเราได้ประมาทพลาดพัง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 กิเลสของเราทำไมมันมากถึงขนาดนี้ตัวของแกเตวของเรามีอะไรดีบ้าง่ะฮะให้ถามตัวเองคือให้ย้อนถามตัวเองทุกครั้งที่มันจิตแลลบออกไปอย่างนั้นอันนี้จิตจิ ต, จตประเภทอย่างนี้มันเคยมีเยีาง่ว่าจิตประเภทหมาบ้ามันชอบกัดด่ไปหมดมันไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรหมาดีมันก็ยังมีสติว่าควรจะกัดใครใครมา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 วิธีแก้ไขก็ต้องมองหาตนเองข้ามีดีอะไรข้าได้ทำคุณงามความดีอะไรมีดีอะไรจึงจะไปประมาทคนอื่นเขาประมาทครูบาอาจารย์เขาแต่ตะแกนี่โง่มากนะอาวิชาตัวนี้ตะแกนี่แย่มากนะจิตประเภทอย่างนี้นะดูนะอย่าให้เกิดอีกนะใจนะตัวเองนะให้ย้อนกลับมาหาตัวเอง ถ, ถ้ามันเกิดขึ้นมานี่แหละ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 คารวะหลวงปู่ขาวเนอะหลวงปู่ชอบถ้าเป็นไปได้สักสองส า, า 2, วัดเราไม่ให้สองสาวัดแหละเผื่อว่าสักสีหวัดไปเลยแต่เผื่อท่านพบครูบาอาจารย์มากราบคารวะกันน่ยท่านก็จะได้ถวายไปเลยให้จบจบไปเราก็คิดเผื่อถึงขนาดนั้นแหละอันนี้ก็คืออง์หลวงตาท่านก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยเห็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุ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 มหาเทเรปมาเทนะทวาละแตเยนะกะตังสัพพังอ布าทางขามะทุโนลพันเตจากนั้นหลวงตาก็ให้ศินให้พรพอให้สินให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก่อแสดงธรรมเเออเทศเทศโปรดพระเนนลูกหลานอย่าตั้งอยู่ในความประมาทเนอะลูกหลานพระเนนทุกองนเนอะอันนี้จนจะเข้าพรรษาสิออ่งไหนก็ตาม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 พบหน้าชาติหน้ามีจริงตายแล้วมันไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกนะถ้าเราไม่มีบุญไม่มีกุศลแล้วเราเกิดพบหน้าชาติาก็จนเราเกิดมาพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนาบุญพวกเราอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสงค์คุณงามความดีเอาไว้เกิดพบหน้าชาติหน้าถ้าว่าเราไม่พ้นทุกในชาตินี้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 พักที่ไหนทางฤาษีหน่เออขอบใจโยมจากนั้นก็ามามาเขามาเห็นฤาษีองค์ก่อนมาก็เลยมาคุยสนทนากันพูดกันหลวงฤาษีองคมาก่อนเออเดี๋ยวผมจะนอนอทางประตูนี่นะให้ท่านนอนข้างในทางฤาษีนีค่ครับผมทาไมนะก็ไม่มีไฟฉายด้วยใช่ไหมไม่มีไม้ขีดไฟด้วยแหม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 รู้จักอดีตอนาคตรู้จักตำดินบินบนมีอภิญญาส ม, มาบัติด้วยสินะเหอเหินเดินฟ้าได้อีกต่างหากทีนี้ลือสีเนี่ทั้งอาจารย์เนีดาดตั้งบนภูมพมพำพที่แรกกระดาบภูมพมพำเหมือนกันนะพอเหยียบเหยียบนั้นกระทานแล้วเออพอแล้ก็พอครั้งที่สองมันหนักกว่าเก่าดายิ่งดาล้ายกว่าเก่าอีกสินีะเอพอพอใ น, นสุดลืสีเนี่ก็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 ให้ฤาษีอาจารย์มาคารวะอาตมาซะได้พูดไปแล้วโดยท่วงเกินไปแล้วขอให้เอาโหสีให้ท่านฤาษีเอาโหสีให้ข้าพระเจ้าด้วยอาตมาก็จะเอาโหสีให้พ่อมเป็นคำคำสาบ แ, แช่งเนี่ยคำสาบแช่ง เ, เนี่ยแต่ทางฤาษีผู้แก่น่ะทิฐิมันสูงเ้ยบไม่ยอมจะให้ข้าจะจะยบกับ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 ตัวเองก็กลักวหัวแตกเหมือนกันนะเออไม่ใช่ไม่กลัวเงี้ยแต่ทหารไม่ต้องกดใบบาลายยากตัวเงี้ยแต่จะมุดอยู่แล้วเงี้นแต่ออตอนนี้ก็พอพระทิดาโพเข้นมาเขาก็จับกดตัวเองกับมุดอีกทัดินเหนียวก็แตกพักเลยว่างั้นแต่เพรามันอิทิฤทธิ์เน้ยมันนั่นเนี้พอแตกพากไปทอนี้ก็ตื่สีก็เลยขึ้นมา อ, อไม่ก็ไม่เป็นไรแตนี้ยเพราะว่าแก่เค็ดเลย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 มันต้องรู้จักที่สูงที่ต่ำที่ควรไม่ควรพระพุทธเจ้าอะสมัยไหนพระเจ้าค่าที่ขนาดเป็นสัตว์ที่รชานยังเคารพกันพระพทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งเราไปเกิดเป็นสัตว์ที่ชานอยู่ในป่ามีนกกะทาแล้วกม็มีช้างแล้วก็มีลิงมีช้างแล้วก็มีลิงสามสหายตนนก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 ไปอัดให้ฟังนะุมละอัดตอนที่ไปนั่งสมาธินะทีนีนอคณะสัตวาทย ญ, ญาติชมลูกหลานหาได้ยากที่พวกเราจะมานั่งภาวนาวมานั่งปฏิบัติธรรมเอาเปิด MG3 ให้ฟังนุ้ยเจนั่งกัสมาธี่เล ย, เลยนะ